Book 2ูสี3สิสามทรีลที่สวนสัตว์ปรานีสังราฮาเล่ปรานีสังราฮาเลีสวนสัตว์อยู่ที่นั่นปีสังราเลติดเทอะ प्राणी संग्रहालय तिथे आहे। ज ि र ा फ यूँ तोंग नंन। तिथे ज ि र ा फ आहित। तिथे जीराफ आहित। मी य ू ठी नाई। अश्वले क ु ठ े आहित। अश्वले कुटे आहित। च ाँ य ू ठी नाई। हत्ती क ु ठ े आ ह े त हत्ती กุเทีหงูอยู่ที่ไหนสกุเทกุทีสิงตอยู่ที่ไหนุเซิกุเทีทฉันมีกล้องถ่ายรูปม ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยมาจาดวอลวิดีโอแคเมรราจาอลอาพรดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนแบตเตอรี่กูเทอเฮแบตเตอรี่กูเทอเฮนกเพนกวินอยู่ที่ไหน เेน ग วินคุเท่าเฮต์จิงโจ้อยู่ที่ไหนคังการุคุเทाาเฮต์คังการุคุुทेาเेต์ंรดอยู่ที่ไหนเกนเดคุเท่าเกเดุเทาเตห้องน้ำอยู่ที่ไหนเฉวญลลุเทาเ เฉาจ้าเล่กุเทียเฮมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นติดเท่เอ็กกาแฟอาเฮติดเท่เอ็กฟเฮมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นติดเท่เอ็กรีสตอร์เรนต์อาเฮติดเท่เอ็กรีสตอเรอูดอยู่ที่ไหนกุเทียเฮ क ุฏิอาเฮต์ gorilla และม้าลายอยู่ที่ไหน gorilla อะนิเซบรากุฏิอาเฮตि gorilla อะนิุเเสือและจระเข้อยู่ที่ไหน व ाกอ ण ि म ग र กรีกุฏิอาเฮต์วากอะนิุเ